ชีวิตของเรามีอยู่สองส่วนด้วยกันมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจเราต้องการความสุขทั้งสองส่วนความสุขทางร่างกายเราก็ต้องการความสุขทางใจเราก็ต้องการเราต้องให้ความสุขทั้งทางร่างกายและความสุขทางจิตใจ ความสุขทางร่างกายก็ได้จากปัจจัยสี่คือได้จากอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสร่างกายก็จะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์ยากลาบากอย่างคนที่ ยากจนคนขอทานเขาไม่ค่อยมีปัจจัยสี่ที่สมบูรณ์มีก็มีไม่มากเขาจึงไม่ค่อยมีความสุขทางร่างกายร่างกายต้องมีอาหารต้องมีเครื่องนุ่งห่มต้องมีที่อยู่อาศัยต้องมียารักษาโรค ร่างกายถึงจะอยู่อย่างสุขสบายแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายก็ไม่ต้องมีมากเกินไปการมีมากเกินไปหรือดีเกินไปก็ไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเช่นกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละพัน ความสุขที่ได้จากการกินอาหารก็เท่ากันคือได้ความอิ่มเหมือนกันอิ่มร้อยบาทกับอิ่มพันบาทมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าพันมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันมันทําหน้าที่รักษาร่างกายคือ คุ้มครองร่างกายให้ร่างกายมีเครื่องนุ่งหม่มไวเสริมไวสวมใส่เพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นหรือป้องกันมแมลงสา์กัดต่อยต่างๆร่างกายจะใส่เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยรุดชุดละห้าพันความสุขที่ได้จากเสื้อผ้าก็เท่ากันถ้าทำหน้าที่ได้เหมือนกัน บ้านก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยจะเช่าบ้านอยู่หรือจะซื้ออยู่เองราคาจะห้าแสนหรือห้าล้านหรือห้าสิบล้านมันก็เป็นบ้านเหมือนกันมันทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายเหมือนกันให้ร่างกายมีที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆ ยารักษาโรคก็เหมือนกันยาก็มีหลายราคาโรงพยาบาลก็มีหลายราคาแต่ก็รักษาโรคเหมือนกันถ้าหายก็หายเหมือนกันถ้าไม่หายก็ไม่หายเหมือนกันถ้าตายก็ตายเหมือนกันจะตายแพงหรือตายถูกก็ตายเหมือนกันอยู่โรงพยาบาลแพงตายก็เสียค่า ค่าตายแพงอยู่โรงพยาบาลถูกก็เสียค่าตายถูกเพราะฉะนั้นเรื่องของร่างกายนี้มันมีมาตรฐานมันมันมีลิมิตของมันขอบเขตของมันพอมันได้สิ่งที่มันต้องการแล้วจะดีกว่าหรือแพงกว่าหรือจะมากกว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นจะมีบ้านสองหลังสามหลังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ร่างกายมันอยู่บ้านได้ทีละหลังเสื้อผ้ามันจะมีร้อยชุดพันชุดมันก็ใส่ได้ทีละชุดเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่มาเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปเพราะมันมันก็ได้เท่าเท่านั้นแหละมันไม่ได้มากกว่านั้นเอ ขอให้มันได้ตามที่ร่างกายต้องการก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากมีพอใช้ได้ น, นี่คือยกตัวอย่างอยากจะดูขั้นต่ำที่สุดคือของพระเนี่ยพระนี่อยู่ระดับต่ำที่สุดถูกที่สุด น้อยที่สุดพระวุาธเจ้าให้พระใช้ผ้าสามผืนก็พอผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งผ้าห่มกันหนาวอีกผืนหนึ่งอาหารก็ให้กินมื้อเดียวก็พอแล้วก็ให้ไปบิณฑบาตไปขอเขาไม่ต้องไปเลือกอาหารว่าจะกินอาหารชนิดนั้นจะกินอาหารชนิดนี้มื้อนี้จะกินไอ้นั่นมื้อนั้นจะกินไอ้นูน่นะ เหมือนกันกินแล้วอิ่มเหมือนกันทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันถึงสอนให้พระอยู่ง่ายๆจะได้ไม่ยุ่งยากเพราะการที่จะอยู่แบบยากๆมันก็สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจแทนที่จะให้ใจอยู่สบายใจกับมาทุกข์กับการที่จะต้องมาคอย ว่นวายกับการหาของพิสดารต่างๆมาเลี้ยงร่างกายยันสำหรับร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ใช้แบบมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือเอาน้อยๆภาษาฝรั่งก็งก minimum, มินิมัมเอามินิมัมรียความนร่งกายมีนิมิมมินิมัมรียความเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก็พอ พอให้มันอยู่ได้ไม่ต้องแม็กซิมั่มแม็กซิมัมแล้วเกิดปัญหาร่างกายกินมากเกินไปน้ำหนักเกินก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทางสุขภาพเดี๋ยวก็เป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆตามมานี่คือ หลักการหาเลี้ยงดูร่างกายหาความสุขให้กับร่างกายนี้ให้ใช้หลักมักน้อยคือน้อยน้อยหรือสันโดษสันโดษก็คือตามมีตามเกิดแบบขอทานตามมีตามเกิดก็แบบขอทานได้เท่าไหร่ก็พอใจกับสิ่งที่ได้มาแล้วจะทำให้ใจนี้ไม่เดือดร้อนเราต้องระวัง เวลาดูแลร่างกายเราอย่าไปกระทบกระเทือนจิตใจอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้เก็บจิตใจและเราต้องการให้จิตใจมีความสุขกันเพราะความสุขของจิตใจนี่มีพลังมีกำลังมีน้ำหนักมากกว่าความสุขของทางร่างกาย เราจึงต้องระมัดระวังเวลาที่เราหาความสุขให้กับร่างกายเราอย่าไปกระทบกระเทือนกับจิตใจอย่าไปทำให้จิตใจต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะว่าร่างกายนี้ถึงแม้จะเลี้ยงดูให้ดีอย่างไรมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุด แต่ใจของเรานี้ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ใจเราจะอยู่กับร่างกายแบบไหนอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้าเราให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูร่างกายเป็นอันดับหนึ่งเราจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราใจของเราจะไม่มีความสุขกับ ถ้าเราให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าความสำคัญของใจร่างกายต่อให้เราให้ความสำคัญมากน้อยเพียงไรดูแลมันให้ดีขนาดไหนมันก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปและถ้าดูแลแบบทาให้วุ่นวายใจก็จะอยู่แว่งไม่มีความสุขถึงแม้ร่างกายจะสุขสบาย แต่ใจกับไม่มีความสุขใจจะคอยกังวลกับความเป็นไปของร่างกายเดี๋ยวก็กลัวจะเป็นโรคนั้นกลัวจะเป็นโรคนี้กลัวจะไปมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายอยู่แบบนี้จะอยู่แบบไม่มีความสุขถ้าเราเอาร่างกายเป็น priority ี้ถ้าเอาร่างกายมาเป็นตัวสำคัญ กะตัวสาคัญจริงๆนั้นต้องเป็นใจเพราะว่าความสุขความทุกข์ของใจมันมีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราใช้หลักมักน้อยสันโดษในการการดูแลร่างกายดูแลให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันตาย เพราะว่าดูแลมากกว่านั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องตายไปอยู่ดีฉะนั้นเราต้องพยายามนึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายด้วยว่าร่างกายเราในที่สุดมันก็ต้องตายดูแลมันอย่างไรก็มันก็ต้องตาย เพราะฉะนั้นอย่าไปดูแลแบบทำให้เราต้องทุกข์กับมันอย่าไปให้มันทุกข์กับการดูแลร่างกายเพราะว่ามันจะทำให้เราใจของเราทุกข์จะทำให้เราไม่มีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายมีความสุขแต่เราคือใจนี่จะไม่มีความสุขเพราะเราให้ความสาคัญต่อร่างกายเกิน ความเป็นจริงของร่างกายเรามักจะอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่แบบไม่ตายกันอยู่ไปเรื่อยๆอยู่แบบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แบบไม่แก่แต่มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนร่างกายของทุกคนมันก็จะต้องย่างเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคน แล้วถ้ายึดถือร่างกายไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายก็จะไปทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาใจไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายใจเลยไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่ใจไม่รู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกัน ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่ได้สุขไปกับร่างกายไม่ได้ทุกไปกับร่างกายถ้ารู้จักแยกใจออกจากร่างกายเหมือนกับเป็นคนละคนกันคนที่เราเห็นเขาเป็นอะไรเราไม่ได้ทุกไปกับเขาเขาสุขเราก็ไม่ได้ไปสุขไปกับเขามันเป็นความสุขความทุกข์ของเขาะ แต่ใจเราบางทีมันก็อยากจะไปสุขไปทุกข์กับเขาเองถ้าไปรักเขาไปชอบเขาก็อยากจะให้เขาสุขพอเขาสุขก็สุขไปกับเขาพอเขาทุกข์ก็ทุกข์ไปกับเขาโดยที่ความจริงแล้วไม่ต้องไปสุขไม่ต้องไปทุกข์กับเขาก็ได้แต่ใจไม่รู้จัก รักษาไม่รู้จักควบคุมใจใจถูกความหลงความอยากหลอกให้ใจไปทุกข์ไปสุขกับร่างกายทั้งของตนเองและร่างกายของคนอื่นถ้ามีความหลงความอยากไปคิดว่าเขาเป็นอะไรกับเราเรารักเขาเราชอบเขา เราก็จะไปอยากให้เขามีความสุขพอร่างกายเขาไม่สุขเราก็ไปทุกข์กับเขาทั้งที่ร่างกายเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็ไม่แต่ใจเรากลับไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นแต่ร่างกายของคนที่เราไม่สนใจเราก็ไม่ทุกข์ร่างกายคนที่เราไม่รู้จักเขาจะสุขจะทุกข์เราก็ไม่เดือดร้อนเราเฉย เหนการทําให้ใจเราเฉยเฉยนี้ดีกว่าการที่ไปสุขไปทุกข์กับคนอื่นเพราะทุกคนไม่ช้าก็เร็วร่างกายของทุกคนก็จะต้องทุกข์กันร่างกายของทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันถ้าเราไม่รู้จักทําใจเฉยเฉยเวลาเขาทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปกับเขาเวลาร่างกายของเราทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปกับเขา แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านฉลาดท่านรู้จักวิธีสอนให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายของไข่ร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักลองก็ไม่ทุกข์ร่างกายของเทวนที่เรารู้จักเราก็ไม่ควรจะทุกข์ร่างกายของเราเราก็ไม่ควรจะทุกข์เพราะว่าไปทุกข์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไระ ร่างกายทุกเราใจเราไปทุกข์หรือไม่ทุกข์ร่างกายมันก็ไม่หายจากการที่ใจเราไปทุกข์หรือไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วไปทุกข์ทำไมสู้ดูร่างกายเหมือนกับร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักไม่ดีกว่าเลยสบายกว่าั้ยร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยตอนนี้มีคนตายมีคนเจ็บมีคน อะไรเยอะแยะไปหมดทำไมเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่รับรู้หรู้เราไม่สนใจรู้เราก็เฉยเฉยได้ยินข่าวในหนังสือพิมพ์คนนั้นถูกฆ่าคนนั้นเป็นอะไรเราก็รับรู้ไว้เฉยเฉยเรื่องของเขาเราทำอะไรไม่ได้นี่แหละคือวิธีที่เราควรที่จะฝึกใจให้เรามีต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็ตามเราต้องรู้ความจริงว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้กันมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันมันต้องเจอเหตุการณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปบางทีก็ไปเจออุบัติเหตุเอบางทีก็ไปเจออคนอื่นทุกถูกคนอื่นทําร้ายเอมีมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อยู่เสมอในโลกนี้แล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ห้ามมันไม่ได้หรือไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราพอจะเปลี่ยนได้พอจะช่วยได้ถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่มีเงินไปรักษาเราพอที่จะสนับสนุนให้เขาไปรักษาได้ ก็ช่วยเขาไปอย่างนี้ก็ทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องเฉยๆไปเรื่องของเขาไปร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้เราอย่าไปให้ความสำคัญกับร่างกายมันมากเกินความเป็นจริงเพราะว่าความเป็นจริงก็คือร่างกายมันไม่ถาวรมันไม่เที่ยง มันจะต้องแก่เจ็บตายไปในวันใดวันหนึ่งและมันอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆบางทีก็เดินหกลม้มบางทีก็ถูกคนนั้นทำร้ายถูกคนนี้ทํำร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดเป็นสิ่งเมื่อเกิดแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้ไปดีใจไปเสียใจมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแต่อย่างใด ฉะเราควรที่จะมาฝึกทําใจเราให้เฉยกับร่างกายของทุกคนจะได้จะดีตอนนี้เราเฉ ย, ยได้แต่เฉพาะกับร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักแต่พอร่างกายของคนที่รู้จักเราเกิดเฉยไม่ได้ขึ้นมาเพราะเรามเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้เขาสุขอยากไม่อยากให้เขาทุกข์ขึ้นมาพอร่างกายเขาทุกข์ เราก็ไปทุกข์กับเขาด้วยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายของเขาเขาจะแก่ก็ต้องแก่เขาจะเจ็บก็ต้องเจ็บเขาจะตายก็ต้องตา ย, าตายนี่คือการรักษาดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจไปพร้อมๆกัน เพราะใจเราเป็นผู้มาดูแลร่างกายเราจะดูแลร่างกายแบบทุกข์ก็ได้แบบสุขก็ได้แบบทุกข์ก็คืออยากให้มันดีไปตลอดทุกเวลานาทีอยากจะให้มันได้สิ่งที่เราอยากให้มันกินเราอยากให้มันกินได้นั่นกินได้นี่ถ้าได้กินมันเราก็ดีใจไปกับมัน ถามันไม่ได้กินเราก็ไปเสียใจไปกับมันแต่ตัวร่างกายเองมันไม่ได้ดีใจเสียใจกับอาหารที่มันกินมันไม่รู้ว่ามันกินอาหารอะไรร่างกายนี้เราให้มันกินอาหารฝรั่งกินอาหารจีนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอาหารฝรั่งหรืออาหารจีนมันก็รู้ว่าเข้าไปในท้องมันแล้วมันก็ทำหน้าที่ย่อยอาหารจัดการกับอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไป แต่จะเป็นอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารไทยอาหารแขกมันไม่สนใจแต่ใจคนใจที่หาอาหารให้มันเนี่ยกลับไปวุ่นวายกับอาหารที่จะให้ร่างกายกินมื้อนี้ต้องกินอาหารฝรั่งมื้อนี้ต้องกินอาหารจีนมื้อนี้ต้องกินอาหารไทยมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องปัญหาขึ้นกับใจเวลาอยากกินแล้วไม่ได้กิน อยากกินอาหารจีนไม่มีกินอยากจะกินอาหารฝรั่งไม่มีอาหารฝรั่งกินมันก็เลยไม่มีความสุขเลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาโดยไม่จำเป็นเพราะร่างกายมันไม่เรียกร้องว่าจะต้องเป็นอาหารอะไรสิ่งที่เรียกร้องมันสิ่งที่มันเรียกร้องก็คือขอให้อาหารกินแล้วไม่เป็นพิษกับร่างกายเท่านีน้กินแล้วอย่าให้ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นอาหารชนิดไหนก็กินได้ร่างกายมันไม่มันไม่เลือกคนที่หาอาหารให้ร่างกายเนี่ยเป็นคนไปเลือกเองใจนี่แหละเป็นคนไปเลือกเองแล้วใจก็ไปวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายชอบเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ให้ร่างกายมันกินพอไม่ได้กินอาหารที่อยากกินก็ไม่สบายใจไม่มีความสุข เช็นเดียวกับอย่างอื่นเสื้อผ้าก็อยากจะเลือกซื้อเสื้อผ้าให้มันใส่ร่างกายมันไม่สนใจหรอกมันใส่เสื้อผ้าเลยมันไม่รู้มันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่ใจนี่นะไปแต่งกายแต่งร่างกายแต่งเสื้อผ้าหาเสื้อผ้ามาแต่งให้กับร่างกายต้องยุ่งเห็นไหมทรงผมต้องเป็นอย่างนั้นหน้าตาต้องเป็นอย่างนั้น อะไรเสื้อผ้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีเครื่องประดับต้องมีนาฬิกายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีรองเท้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีแหวนมีสร้อยคอไว้ประดับแต่งร่างกายร่างกายมันไม่สนใจเราจะให้มันใส่ชุดไหนไม่ใส่ชุดไหนขอให ป้องกันภัยให้กับมันได้ครับพอแต่คนแต่งคือใจเนี่ยไปวุ่นวายกับมันแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความสุขจากการที่ไปวุ่นวายกับการแต่งตัวแต่งร่างกายพอแต่งไม่ถูกใจก็ไม่ไม่มีความสุขนะไปตัดผมช่างตัดไม่ถูกทรงเข้าก็โกรธขึ้นมาแล้วไม่พอใจขึ้นมานะนี่คือปัญหา ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจต่างๆเกิดจากที่ใจนี้ไม่รู้ความเป็นจริงว่าการดูแลร่างกายนี้ดูแลอย่างไรที่จะทำให้ใจไม่ต้องไปวุ่นวายก็ต้องรู้จากความต้องการของร่างกายว่ามันต้องการอะไรแล้วก็ให้ดูว่าต้องการมากต้องการน้อยอย่างไร ขอให้มันได้ตามที่มันต้องการเพื่อให้มันอยู่ได้ก็พอไม่จำเป็นที่จะต้องอมีราคาแพงไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องอดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ขอให้มันทำหน้าที่ดูแลร่างกายรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปได้ก็พอแล้วใจจะสบาย อย่างพระเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกถ้าอาหารก็ไปบินทบาตตอนเช้าให้อุ้มบาตรเข้าไปในลงหมู่บ้านแล้วคนมีใจเมตตาศรัทธาอยากจะให้อาหารอะไรเรากินก็รับไปกินได้อาหารชนิดไหนมาเขากินได้เราก็กินได้กินเพื่ออิ่มก็พอกินให้ร่างกายมันอิ่มทำให้ร่างกายไม่หิว ก็หมดหน้าที่ของอาหารไปละร่างกายมันไม่สนใจหรือว่าจะเป็นอาหารชนิดไหนร่างกายมันไม่รู้มันไม่มีความรู้มันเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาเราแต่งตัวให้มันมันก็ไม่รู้ว่ามันใส่ชุดอะไรชุดทํางานชุดกีฬาชุดไปเที่ยวมันไม่รู้ล่ะให้มันใส่ชุดไหนมันก็ใส่ได้ทั้งนั้นมันเพียงแต่ต้องการให้มีเสื้อผ้าไว้ป้องกัน ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองพระตจ้าถึงสอนว่าวิธีดูแลร่างกายนี้ให้ดูแลแบบมากน้อยสันโดษแล้วใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหามากถ้าไปตั้งกดตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องกินแบบนั้นกินแบบนี้เห็นไหมฝรั่งนี่กินอาหารทีบางทีต้องกินสามสี่จาน มีช้อนสองสามช้อนมีมีดมีซ่อมอกินเสร็จแล้วมันต้องไปล้างกันในชะ่ไหมถ้ากินกินแบบภามีบาดใบเดียวนี่ง่ายจะตายไปอาหารทุกอย่างใส่ไปในบาดเนะี่ยแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนใช้มือนี่แหละมือนี่แหละคือช้อนที่วิเศษล้างมือให้สะอาดก็กินได้แนะ้หยิบอาหารใส่ในบาดแล้วก็กินเนี กินเสร็จก็ล้างบาตรไปเดียวแป๊บเดียวหนึ่งนาทีก็ล้างบาตรเสร็จละถ้ากินแบบรู้หลากินแบบมีขั้นมีตอนนี่โอยต้องมีชุดอของหวานชุดของข้าว ช, ชุดขนมชุดอะไระแก้วก็ไม่รู้กี่ใบกินเสร็จแล้วไม่เหนื่อยต้องไปล้างชามล้างจานล้างชามกัน น, นี่ไปสร้างปัญหาให้กับใจสร้างเรื่องให้กับใจร่างกายมันไม่ได้ขอร้องให้กินแบบนี้เลยใจไปจัดการว่าร่างกายจะต้องกินแบบนี้เองต้องกินแบบหรูหราก่อนจะกินก็ต้องไปแต่งตัวด้วยใช่ไหมใส่เสื้อผ้าธรรมดาก็กินไม่ได้ใช่ต้องใส่สูทผูก넥ไทก่อนส่ตจะกินมัทีเรื่องมาก <c oughs> กินเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างถ้วยล้างชามเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดนอนนีกเราก็ต้องไปซักมันอีกซักกันหลายชุดเห็นไหม <c oughs> มีชุดนอนชุดกินอาหารชุดไปเที่ยวชุดอะไรวันวันอย่างนี้มันต้องมาวุ่นวายกับการาทำหน้าที่ดูแลร่างกายพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกให้เอาแบบง่าย ง่ายแล้วมันสบายไม่เรื่องมากดีวอนก็ให้มีสามผืนเนี่ยไม่ต้องซักทุกวันเนี่ยดีวอนซักแต่เฉพาะชุดที่อยู่ข้างในข้างนอกนี่มันไม่เปื้อนนะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ซักสักครั้งก็ได้ที่หมนี่ที่เห็นเนี่ยจะมีชุดชั้นในอยู่สองชิ้นที่ต้องทักซักทุกวันเพราะว่ามันเปื้อนก็มีแค่สองชิ้นนะง่ายอืม มีสมบัติน้อยมีอะไรน้อยมันก็ดูแลง่ายดูแลสะดวกไม่เป็นภาระมีมากก็ต้องคอยดูแลคอยเช็ดคอยทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งชีวิตก็เลยหมดไปกับการเลี้ยงดูร่างกายนี่คือวิธีที่อยู่แบบพระง่ายที่สุดมิ minimum นิมัมเรียร์ควายเมน ที่อยู่อาศัยสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ตามป่าตามเขาเนี่แหละอยู่ตามต้นไม้โคนไม้อาจจะเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาทำเป็นที่มุงที่บงังหลบแดดหลบฝนก็อพอละไม่มีสมบัติอะไรที่จะต้องรักษา ม, มีบาทใบเดียวกับผ้าสามผืนเป็นสมบัติใบมีก้อนอันหนึง่งเข็มขัดตัดเอวหนึ่งเส้น แล้วก็ที่กรองน้นํานงานกับเข็มกับได้นี่คือสมบัติของพระที่ไม่มีใครอยากได้งั้นทิ่ไว้ในเก็บไว้ในป่าเก็บไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนก็ไม่มีใครมาเอาอยู่สบายไม่ต้องมาห่วงกังวลกับขโมยจะขึ้นบ้านหรือไม่ขึ้นแล้วมันอาจจะมาฆ่าเราเมีสมบัติมันไม่ต้องการฆ่าเราหรอก แต่พอมันมาขโมยของเกิดเราไปตื่นไปต่อสู้กับมันมันก็ต้องต่อสู้กับเราเดี๋ยวมันก็ฆ่าเราอีกเนี่ยตายเพราะสมบัตินะตายเพราะมีข้าของเงินทองกันมากมายก่ายกองอยู่แบบแบบสบายสบายดีกว่าอย่ามีสมบัติทิ้งไว้ในบ้านแล้วมันไม่มีขโมยขึ้นบ้าน ที่ขโมยขึ้นบ้านเพราะมันเห็นมีสมบัติเยอะที่อยู่อาศัยของพระก็เนี่ยก็อยู่ตามป่าตามเขาพอมีที่มุงที่บังดบแดดดบฝนได้ก็พอบางองค์ก็ไปอยู่ตามถ้เอยู่ตามเงื่อมผาบางองค์ก็ชอบไปอยู่ป่าชา้าเพราะป่าช้าไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครชอบไปเที่ยวป่าช้ากัน เขาไปอยู่ในป่าช้าแล้วสงจบจะมีก็ช่วงตอนที่เขามีงานศพกันงานศพเขากะเอาศพมาทิ้งมาเผาแต่ถ้าไม่มีศพก็สงบนั่นแหละคือที่อยู่ของผู้ที่ไม่ต้องการที่จะวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพอให้มันอยู่ได้ก็พ อ, เ, อเครื่องนุ่งห่มก็มีผ้าสามผืนหนึ่งชุดก็พอ แล้วก็ยารักษาโรคสมัยก่อนก็ใช้ยาสมุนไพรหรือใช้ใช้น้ำใช้น้ปัสสาวะดื่มก็ได้คนอินเดียเขาเชื่อว่าดื่มน้ำปัสสาวะก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้บางทีเขาก็เอามาดองเป็นยาเอาน้าปัสสาวะมาดองกับกับผลไม้เช่นสมอเป็นสมอดอง กินยากินน้ำดละน้าน้านองด้วยน้ำปัสสวะกับสมอก็สามารถเอาดื่มเป็นยาได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ยาแบบนั้นกันไปรักษากันไปตามธรรมชาติหายก็หายไม่หายก็ตายไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ดี เจ้าหมายของพระนี้ไม่ได้อยู่ที่การรักษาร่างกายอยู่ที่การรักษาใจให้ใจมีความสุขไม่ให้ใจมีความทุกข์การที่จะไม่ให้ใจมีความทุกข์ก็ต้องไม่ไปวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเลี้ยงดูตามอัตภาพตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ แล้วใจจะตัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไปได้เยอะแต่ยังไม่หมดความวุ่นวายของใจความทุกข์ของใจยังยังมีอยู่เป็นความทุกข์ที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเป็นความทุกข์ที่เกี่ยวกับความอยากอยากหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ แต่ความสุขที่ได้นั้นเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็จะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์แล้วต่อไปไม่ช้าก็เร็วล่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขตามที่ใจอยากหาได้ ใจนี้เป็นนักเป็นเครื่องมือในการหาความสุขร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขให้กับใจถ้าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปก็จะไม่สามารถหาความสุขตามความอยากของใจได้พระพุทธเจ้าจึงทรงค้นพบว่าการหาความสุขตามความอยากนี้มันจะจะต้องพาให้ไปเจอความทุกข์ต่อไป จะต้องไปเจอกับความผิดหวังจะต้องเกิดความผิดหวังได้มาแล้วบางทีก็จากเราไปหรือถ้าจากเราไปแล้วก็ต้องหาใหม่หาใหม่ไม่ได้ก็เสียใจต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องหาไม่ได้อยากแล้วจะไม่ได้ตามความอยากและเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้า ส่งสอนว่าวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างไม่ให้มีความทุกข์ใจก็คืออย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆอย่าไปอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆเพราะความสุขต่างจากสิ่งต่างๆนี้มันต้องมีความทุกข์ตามมาไม่ช้าก็เร็วและขณะที่ไปหามันก็เกิดความทุกข์แล้ว เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจก็ไม่สบายละใจก็ไม่มีความสุขแล้วพอได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วเดียวก็หายไปหมดไปก็ต้องหาใหม่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปหากันเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสของกาฟแฟของขนมของอาหารของภาพยนตร์ของของรถยนต์ของอะไรต่างๆนี้มันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสทางนั้น เราต้องใช้ตาดูเห็นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเวลาเราได้มาเราก็ดีใจแล้ว เ, เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็เฉยๆกับมันถ้ามันยังไม่จากเราไปความดีใจที่เราได้เหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆมันหายไปแล้วถึงแม้มันยังจะอยู่มันก็ไม่ได้ความสุขเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆ มันก็เลยอยากจะได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆได้รถคันนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้คันใหม่ได้แฟนคนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้แฟนคนใหม่เพราะแฟนคนเก่าไม่ให้ความรู้สึกเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆอยากจะได้ความสุขแบบที่ตอนได้มาใหม่ๆก็ต้องหาแฟนใหม่หาของใหม่เนี่ยมันก็เลยทําให้ มีปัญหาขึ้นมาเพราะของบางอย่างเรามีหลายอันไม่ได้มีแฟนหลายคนไม่ได้พอมีแฟนหลายคนเดี๋ยวแฟนคนเก่ารู้เขาก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาอ <c oughs> นี่คือปัญหาถ้าเราจะหาความสุขตามความอยากมันจะต้องพาให้เราไปเจอปัญหาเจอเรื่องเจอความทุกข์พระพุทธเจ้าเลยสอนว่าเราอย่าไป หาความหาความสุขตามความอยากดีกว่ามาหาความสุขด้วยการไม่ทำตามความอยากดีกว่าด้วยการหยุดความอยากดีกว่าเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราจะมีความสุขความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากนี่เรียกว่าเป็นความสงบเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองพอเราหยุดความอยากได้ ใจเราจะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากกว่าได้ทำตามความอยากจะมีความสุขมากกว่าได้สิ่งที่อยากได้แล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราอยู่เฉยๆก็มีความสุขสุขตลอดเวลาจะไม่สุขก็ตอนที่เกิดความอยากขึ้นมาเท่านั้น ถ้ามันเกิดถ้าเรารู้ว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สุขเราก็หยุดมันเสียอยากไปทำตามความอยากด้วยการใช้พลังจิตของเรากำลังของเราจิตเรามีกำลังถ้าเรารู้จักฝึกจิตสร้างกำลังสิ่งที่จะเป็นกำลังของจิตก็คือสติถ้าเรามีสติเราจะมีกำลังหยุดความอยากได้พอมีความอยาก ขึ้นมาไม่สบายใจพอใช้สติหยุดมันปั๊บความไม่สบายใจก็หายไปความสงบก็กลับคืนมาใหม่ีละเราจึงต้องมาฝึกสติกันมาสร้างกำลังให้กับใจที่จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นตัวนำเราต้องคิดถึงสิ่งนั้นก่อนแล้วถึงจะอยากกับสิ่งนั้น ถ้าเราไม่ได้คิดเราก็จะไม่มีความอยากกับสิ่งนั้น น, นี่คือเรื่องของการดูแลจิตใจไม่ให้ทุกข์ให้มีแต่ความสุขต้องดูแลด้วยเหตุผลด้วยปัญญาและด้วยสติทางร่างกายก็ดูแลแบบมากน้อยสันโดษดูแลร่างกายให้มันอยู่ได้เป็นปกติ ให้มันไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปสร้างความวุ่นวายใจให้กับใจด้วยการพยายามที่จะหาสิ่งดีๆสิ่งวิเศษต่างๆมาให้กับร่างกายสิ่งธรรมดามันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับสิ่งวิเศษไม่ต้องไปสั่งอาหารจากเมืองนอกมากินอย่างนี้บางทีต้องอิมพอร์ตเข้ามา อาหารชนิดต่างๆกินอาหารที่มีอยู่ในเมืองไทยนี่มันก็เหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันใจจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอันนี้อันแรกเกี่ยวกับร่างกายอันที่สองก็เกี่ยวกับความอยากต้องอย่าไปหาความสุขให้กับใจด้วยการทำตามความอยากต่างๆเพราะมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เป็นเหมือนอ ยาพิษที่มีน้ำตาลเคลือบอยู่เวลาอมใหม่ๆมันก็หวานเดี๋ยวพอลน้ำตาละละลายไปแล้วที่นีก็จะเจอยาพิษนี่ยาขมยาบางอย่างเขาถึงต้องมีเคลือบไว้เพราะยามันขมถ้าให้กินมันจะกินไม่ลงก็เลยต้องมีอะไรเคลือบไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไป สัมผัสกับรสของยาที่มันขมถึงอยกินถึงอยากกินก็ไปได้สิ่งต่างๆที่เราหาตามความอยากนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้ความสุขบางๆเป็นผิวบางๆเคลือบความทุกข์ตอนที่มันสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปหรือมันเสื่อมไปมันเสียไปมันจากเราไป ตอนนั้นความสุขก็จะหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราพยายามฝืนใจฝืนความอยากโดยการมาสร้างกำลังที่จะสู้กับความอยากสิ่งที่จะทำให้เรามีกำลังสู้กับความอยากก็คือสติถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้วิธีที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องบังคับให้ใจ คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ừ. ใหม่ๆม่มันอาจจะแย่งกันคิดเราพุทโธไปความ ค, ความอยากมันก็แย่งให้เราให้เราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆกันแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจกับความคิดที่ความอยากมัน ถักดันออกมาเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่คิดเองถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือบังคับให้แล้วให้ให้ใจเราอยู่กับร่างกายก็ได้ร่างกายเราทำอะไรก็ให้อยู่กับร่างกายทำไปกับร่างกายทำไปพร้อมๆกับร่างกายไม่ใช่ให้ร่างกายทำอย่างหนึ่งแล้วใจก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งส่วนใหญ่เราจะทำอย่างนี้กัน เราจะร่างกายกำลังทำอะไรเราก็อยู่กับมันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปละไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยว ก, กลับมาดูมันหน่อยแล้วก็กลับไปกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะไม่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราต้องให้มันอยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่ให้มันวับไปที่อื่นเลย ร่างกายกำลังกินอาหารก็กินกับมันมันตักอาหารก็ตักไปกับมันมันเอาอาหารเข้าไปในปากก็เอาเข้าไปในปากพร้อมกันเคี้ยวก็เคี้ยวกับอาหารกืนก็กืนไปพร้อมกันทาทุกขั้นตอนให้มันอยู่กับร่างกายมันจะทำให้ไม่ไปคิดถึงเรื่องต่า ง, างๆได้ <c oughs> อันนี้เป็นการฝึกเท่านั้นต่อไปพอรับฝึก เสรแล้วพอใจไม่ไปคิดแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับกนะันาดอยู่กับร่างกายแบบสบายสบายก็ดูมันเหมือนธรรมดาถ้ามันจะคิดเราก็ดึงมันกลับมาได้แต่ถ้าเราไม่เคยดึงมันกลับมามันจะไม่กลับมามันจะคิดเรื่อยไปบางทีลืมเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไปแล้วก็ลืมว่าเราทำอะไรอยู่ทำไปแล้วหรือ ย, อยังเพราะว่าเนี่ยใจลอย ไม่มีสติเขาเรียกว่าทำให้ใจลอยถ้ามีสติแล้วใจจะไม่ลอยใจจะตั้งอยู่ในปัจจุบันจะตั้งอยู่ที่ร่างกายถ้ามันไม่ยอมอยู่ที่ร่างกายก็ใช้พุทโธหนึ่งมันไวมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้น ใ, นใกล้มันคิดพุทโธแทนพุทโธพุทโธไปถ้าเราสามารถสร้างสติได้เราจะมีกาลังสู้กับความอยากเราจะมี ความสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับใจได้โดยที่ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เพียงแต่ทำใจให้สงบตันเองนั่งหลับตาแล้วก็บังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเขาออกเพียงอย่างเดียวไม่ให้มันไปคิดถึงอะไรทั้งหมดถ้าอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่อง าทีห้านาทีสิบนาทีมันก็นิ่งแล้วมันก็สงบเย็นสบายมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรการไม่ทาอะไรเนี่ยความสุขที่เกิดจากการไม่ทำอะไรนี่สบายกว่าความสุขที่จะต้องไปทำนูน่นทำนี่ใช่ไหมจะไปกินาหานอกบ้านทีนี้ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องขับรถไปหาที่จอดรถบางทีก็ต้องไปจองโต๊ะอีกบางทีไปถึง ถ้าเป็นร้านอาหารที่อร่อยคนก็กินเยอะบางทีก็ไม่มีที่ต้องไปนั่งรออีกกว่าจะได้กิน น, น้อยเนีดเหนื่อยกินเสร็จพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วความสุขที่ได้จากการไปกินสู้อยู่บ้านนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธดีกว่าอยากจะกินข้าวกระทอดไข่กินกับข้าวก็พอแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินไข่เจียวกับข้าวเปล่ามันก็อิ่มเหมือนกันเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิดีกว่า ได้ความสุขสบายกว่าเยอะแยะนี่แหละถ้าใครทำสมาธิได้แล้วจะสบายจะไม่วุ่นวายไม่ต้องไปหาความสุขแบบพิสดารอย่างคนต่างๆที่ก็หากันต้องไปกินบางทีต้องไปกินบนตึกสูงสี่สิบชั้นห้าสิบชั้นกินถึงยาอร่อยกินแล้วจะได้มองเห็นวิวต่างๆอะไรกัน นั่นละคือความหลงพะย่ะไหมความโ ง, มคมง่ความไม่ฉลาดนั่นต้องเหน็ดเหนื่อยเสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายมากอาหารหมดไปกี่ตังค์ใช่ไต้องขับรถไปอีกต้องเดินทางไปอีกสู่ถ้านั่งสมาธิเป็นนั่งหลับตาห้านาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วสบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องออกไปนอกบ้านไม่ต้องไปเครียดกับรถติดบนท้องถนน ไม่ต้องไปเครียดกับคนขับรถที่ไม่มีมารยาทอีกมีแต่ปัญหาทั้งนั้นพอออกไปข้างนอกอยู่ข้างในดีกว่าหาสุขหาความสุขข้างในดีกว่าปัญหาน้อยกว่าแต่เราไม่เคยหากันมันเลยรู้สึกยากเราก็ไม่เราเหมือนกับคนที่ไม่ไหว้ไหว้น้าไม่เป็นเพราะเราไม่เคยหัดไหว้มาก่อนพอตกลงไปน้ำก็จะจมเหมียงเดียวเราเลยไม่กล้าลงน้ากัน ไม่กล้านั่งสมาธิกันเพราะนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายแน่นตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมานั่งแล้วไม่มีความสุขเลยไม่อยากจะนั่งกันเพราะเรานั่งไม่เป็นถ้าเรามาหัดนั่งวิธีที่ถูกต้องเดี๋ยวเราก็นั่งได้วิธีถูกต้องก็คือต้องนั่งแบบมีสติอย่าไปนั่งแบบนั่งเฉยเฉยนั่งแล้วต้องมีอะไรให้ใจทํา ถ้าไม่พุโทโธก็ต้องดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วแต่พยายามให้มันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องออกเสียงท่องไปในใจหรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่อยากจะท่องก็ดูลมหายใจก็ได้ถ้าใจมันฟุ้งคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ยอมพุโทโธไม่ยอมดูลม ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนถ้าเรารู้จักบทสวดมนต์บทไหนเราก็เอามาสวดสวดแบบไม่เปิดหนังสือได้จะดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องใช้สายตาให้สวดแบบหลับตานั่งสมาธินั่งขัดสมาแล้วก็สวดมนต์ไปสวดบทที่เราจำได้ถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบก็ได้เช่นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสวดไปหลายๆรอบไป ถ้ารู้จักพระสูตรที่ยาวๆก็สูตรทั้งพระสูตรไปตอนที่เราเริ่มหัดนั่งสมาธิใหม่ๆเราก็บางทีนั่งไม่ได้เราก็ใช้การสวดมนต์นี่ไปเราสวดบทสติปัฏฐานสี่แต่เป็นคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเราสวดเป็นภาษาอังกฤษไปภายในใจคาแปลมันกว่าจะจบก็สามสี่สิบนาทีพอสวดสวดจบแล้วใจมันก็ไม่คิดอะไรมาก นั่งดูลมต่อได้นั่งดูลำพอนั่งดูลมมันก็หยุดคิดหยุดคิดแล้วมันก็สงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมามันก็ทใถ้อยากจะทำอย่างนี้ไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆความสุขแบบนี้สบายไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินถ้าเป็นความสุขแบบที่ต้องเสียเงินใช้เงินก็ต้องไปหาเงินก่อนต้องไปทำงานต้องไปเหนื่อยกับการทำงานต้องไปเครียดกับการทางาน เพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อความสุขแป๊บเดียวไปดูหนังไปเที่ยวไปกินไปดื่มเสร็จแล้วก็จบแล้ ว, วกันก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ซูมมาหาความสุขจากการนั่งเฉยๆไม่ดีกว่าหไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองเพียงแต่ใช้สติควบคุมใจให้มันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านั้นเองง่ายจะตายไปถ้าดูหลักตามความเป็นจริงเนะ การหาความสุขจากความสงบนี้มันง่ายมากเพียงแต่ให้ใจมีสติเท่านั้นเองการหาความสุขทางรูปแบบอื่นนี่ยากแสนยากแต่ทำกันได้หาเงินเป็นล้านๆมาไ ด, เไ ด, เได้เพื่อจะได้ซื้อเพื่อที่จะได้ซื้อข้าวของต่างๆเพื่อจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปรอบโลกไปที่ไหนก็ไปได้ยากจะตายมักก่าจะได้แต่ความสุขได้แปแค่ชั่วคราว ได้ตอนไปเที่ยวพอกลับมาก็หายไปหมดกลับมาเจอความเครียดใหม่ต้องมาหาเงินใหม่ต้องมาทำงานใหม่แล้วพอได้เงินมาพอมีวันหยุดก็ไปเที่ยวกันอีกมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้เหมือนเดิมทำมากี่ปีมันก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพ อ, พอต่อไปร่างกายแก่ลงแก่ลง กำลังวังชาก็น้อยลงจะไปเที่ยวที่ไหนก็ยากลาบากขึ้นอันนี้มันก็โซ่อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากดีกว่านะพยายามฝึกสติให้ได้อันนี้ไม่ยากเลยฝึกได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการฝึกสตินี้ไม่ต้องอยู่วัดก็ได้แต่ถ้าอยู่วัดและอยู่ที่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยว ไม่มีงานทํามันจะง่ายกว่าเพราะจะฝึกได้มากกว่าแต่ถ้าต้องฝึกแบบชีวิตประจําวันนี้มันฝึกได้เป็นบางช่วงช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นตอนที่เราเตรียมตัวไปทํางานนี่เราก็ฝึกสติได้พุโทโธได้อาบน้ําไปก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปเดินทางไปทํางานก็พุโทโธไป แต่พอไปถึงที่ทำงานต้องหยุดละเพราะต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการกว่าจะเสร็จก็เย็นถึงจะค่อยมีเวลาอีกแต่ก็ยังพอทำได้อยู่แต่ถ้าอยากจะทำมากๆทำแบบทั้งวันนี่ก็ต้องรอวันหยุดวันที่ไม่ต้องทำงานแล้วก็ไปหาที่ไหนที่สงบอยู่คนเดียว ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปทำงานทําการอะไรแล้วพยายามพุโทโธพุโทโธพยายามหยุดความคิดสู้กับความคิดสู้กับความอยากทำไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบง่ายมากขึ้นสงบได้นานขึ้น อยู่ที่การฝึกขัดต้องซ้อมเหมือนก่อนเหมือนการวิ่งมาราธอนอยู่ดีๆเราจะไปวิ่งมาราธอนไม่ได้หรอกเราต้องค่อยๆขยับไปวันนี้ลองสักกิโลหนึ่งก่อนถ้ากิโลยังไม่ไหวก็เอาครึ่งกิโลก่อนพรุ่งนี้ก็เพิ่มอวันต่อไปก็เพิ่มอต้องค่อยๆเพิ่มไปทําให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิ่งได้น้องไปถามพวกนักวิ่งมาราธอนดูดิว่าเขาเกิดมาปั๊บพอเขาเริ่มวิ่งเขาวิ่งได้เลยหรือเปล่า ไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องฝึกขาดกันพวกที่มานั่งสมาธิก็เหมือนกันเวลาเริ่มต้นนี้นั่งได้นานๆานนนเหมือนตอนที่นั่งได้แล้วหรือเปล่าไม่ได้หรอกเพื่อต้องนั่งได้ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างแต่พอนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชำนานมันสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็นั่งได้นานขึ้นได้ได้นานขึ้นสอบได้มากขึ้นบ่อยขึ้นอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนอบรม มันถึงจะเกิดสตินี้มันไม่เกิดจากการได้ยินได้ฟังฟังแล้วมันยังไม่เกิดจะให้มันเกิดต้องไปฝึกต้องไปสร้างมันต้องไปปฏิบัติอย่างที่สอนพอลืมตาขึ้นมาลองลองควบคุมใจดูด้วยพุทโธก็ได้เลือให้มันเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรแล้วก็อยู่กับร่างกายไปดูร่างกายเป็นเหมือนนักโทษใจเป็นเหมือนยาม คอยเฝ้าไม่ให้นักโทรนินหนีคาดจากสายตาเอาเอาอะไรนะที่เอามือมาใส่ไอ้ข้อมือติดกันเลยมันจะได้ไม่แยกจากกันสตินี้เหมือนเหมือนข้อมือที่จะผูกใจให้ติดกับร่างกายถ้ามีข้อมือมีสติแล้วมันจะไม่แยกออกจากกันมันจะทําอะไรไปพร้อมๆกันถ้าอย่างนี้แล้วมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ จะอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายฝนจะมาแล้วเหรอเทวดาให้น้ำมนฝนช่วงนี้ตกไม่หนักครับอะไก็พอดีหมดเวลาพอดีก็จะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริโปเรนติสคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปฏิยติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุแรนโตสังกปาจันโทปันาราโสยธามนิโชติราโสยธาสพีติโยวิวัชานโต สัพพโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตรายูสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะจาก f a c e b o o สา2ร y อย t ี่สิบห้าสองอสิบหวิทยุออนไลน์สิบผู้รับฟังบนเขายี่สิบปดรวมห้าร้อยแปดสิบแปดท่านค่ะโอเคค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับผมถูกคนรักหลอกลวงนอกใจแล้วเลิกกัน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 ทรมานใจมากทำอย่างไรถึงจะตัดขาดวางลงได้จริงๆเสิยีครับออนั่งสมานั่งสมาธิก็ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเลยครับก็ต้องคิดถึงอสุภะของเขาสิคิดถึงว่าการสามสิบสองของเขา เ, ออเราไปมองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ยื่อในสมองสีสันน้าดีน้ำเสเลน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงื่อน้ํามันค้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ําไข่ข้อน้ํามูดเนี่ยมีหลยตัวเขาทุกอย่างเนี่ยให้นึกถึงภาพเหล่านี้บ้างถ้านึกถึงภาพของอาการ32ในตัวเขาแล้วเราก็จะหายหายหายรักหายหายชังจะไม่อยากจะไปยุ่งกับเขา อลองไปเปิดดูตําราก็ได้คนใน Google ก็ได้อาการ32บัดดูหนังสืออณาตตมี่บ้างก็ได้เวลาคิดถึงแฟนก็มองเข้าไปข้างในอวัยวะต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เรากําลังคิดถึงคิดถึงเขาเหลือเกินคิดถึงปอดเขาคิดถึงตับเขาคิดถึงหัวใจเขาคิดถึงลำไส้เขาคิดถึงกระโหลกศีรษะเขาคิดถึงโครงกระดูกเขา ไม่คิดอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่อยากจะคิดถึงเขาแนละ้วจะลืมเขาเลยแล้วจะไม่หลงรักใครอีกต่อไปจากท่านเดิมนะคะพระที่แสดงท่าทางตุ้งติ้งเป็นหญิงถือว่าผิดวินัยไหมครับถือว่าบาปไหมครับส่วนผู้ชายที่ดูเป็นปกติแต่จิตใจชอบผู้ชายด้วยกันมาบวชถือว่าผิดพระวินัยไหมครับบาปไหมครับเพราะตอนบวช ท่านต้องตอบคาถามว่าเป็นชายใช่หรือไม่ก็ถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าไม่ได้ทำผิดศีลมันก็ไม่บาปถ้ามาบวชตอนก่อนบวชนี่มันยังไม่ได้เป็นพระเนี่ยโกหกได้เนี่ยเป็นโยมอยู่อ้าวใช่ไหมพอบวชแล้วมาโกหกถึงจะบาปถึงจะผิดศีลของพระแต่ตอนที่บวชยังไม่ได้ถือศีลเนี่ยหรือถือแล้วก็ไม่รู้อนตอนที่บวชต้องเป็นเนนก่อน ต้องเปน็นนต้องไปบวชเนรก่อนต้องถือศีลสิบก่อนพอถือศีลสิบแล้วทีนี้ก็โกหกก็ผิดศีลของเนนไปแต่ยังไม่ได้ผิดศีลของพระเพราะยังไม่ได้บวชยังถ้าเป็นพระแล้วมาโกหกนะถึงจะผิดศีลของพระอีกทีหนึ่งการโกหกของพระก็มีแบบหนักกับแบบเบาแบบหนักก็คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวตนจะโกหกว่าเป็นพระอรหันต์เป็น พระอโศดาได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้โดยที่ตนเองไม่มีอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาปหนักขาดจากความเป็นพระไปแต่ถ้าพูดแบบพังเผลไปผิดพลาดบ้างนี้ไม่ถือว่าเป็นปาราเชกเอาส่วนกิริยาการก็ถ้าเป็นพระก็ต้องรู้จักสำรวมกายวาจาให้อยู่ในความสงบเพราะพระเป็นบุคคลที่ถูกเชิดชูยกย่อง แล้วถ้าไปทําตัวเป็นลิงนี่มันก็จะทําให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่บวชเข้ามาที่จะต้องคอยสอนคอยห้ามแต่สมัยนี้บวชแล้วก็ไม่ดูแลเขาเรียกว่าอุปชาเป็ดเข้าใจไหมเป็ดนี้มันไม่ฟักไข่เขา้าใจป่ะเวลามันออกไข่แล้วมันก็ทิ้งไข่เลย แต่ไก่นี่เวลาฟักฟักไข่แล้วเวลาออกไข่แล้วมันยังไปฟักไข่มันยังเลี้ยงเลี้ยงต่อไปฉะนั้นสมัยนี้ผู้ที่ให้ทำหน้าที่บวชให้กับพาใหม่บางทีบกพร่องไม่สั่งสอนไม่ไม่อบรมไม่ห้ามปรา ม, มก็เลยทำให้เกิดภาพที่ไม่สวยงามถ้ามีการคอยห้ามปรามมีคอยตักเตือนมีคอย ส, สั่งสอนมีการลงโทษการกระทำที่ไม่สวยงามต่างๆที่เราเห็นจะไม่มีปรากฏขึ้นมาฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันเรื่องของพระก็แล้วกันเราไม่ได้เป็นพระเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรากังวลเรื่องของเราดีกว่าเราตุง้งติ้งหรือเปล่าเราเรียบร้อยหรือเปล่าบางทีเราชอบว่าคนอื่น แต่ไม่ชอบว่าตัวเราเองชอบมองคนอื่นชอบมองความผิดของคนอื่นความผิดของตนเองไม่ชอบมองอย่างที่มีสุภาษิตที่เ็าว่าความผิดของผู้อื่นแม้เท่าผงธุลีก็เหมือนภูเขาเหมือนความดีของผู้อื่นแม้จะใหญ่เท่าภูเขาก็เหมือนผงธุลีส่วนความผิดของตนแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เป็นเหมือนผงธุลีความดีของตนแม้แค่เป็นแค่ผงทุลีก็เป็นเหมือนกองภูเขา นี่คือลักษณะของการมองคนมองตัวเราของคนที่มีกิเลสจะมองแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงคำถามจากคุณชนะชนะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลาที่เรามีความเครียดในใจพระอาจารย์สอนให้ภาวนาพุทโธเพื่อให้ใจปล่อยวางและเข้าสู่ความสงบแต่ในทางการแพทย์ เราจะพยายามที่จะเอาปัญหาออกมาเพื่อคลายปมความเครียดเพราะการกดความเครียดหรือภาวะกดดันนั้นเอาไว้จะยิ่งทำให้บ่มจะยิ่งทาให้ปมความเครียดของคนไข้ยิ่งรุนแรงและมีผลทางกายมากขึ้นจึงมีข้อสงสัยว่าการรักษาภาวะฟุ้งซ่านและความเครียดในจิต ใ, ใจในทางพุทธกับทางการแพทย์ ดูเหมือนจะไม่ไปในแนวทางเดียวกันเราควรจะเลือกแก้ไขปัญหาความเครียดฝังใจลึกๆของคนไข้ในแนวทางไหนถึงได้ผลดีกว่ากันคะ อ, อ๋อการแก้ปัญหาความเครียดนี่คนไข้ต้องแก้เองคนสอนเพียงแต่บอกให้เขารู้วิธีแก่ท่านเองจะไปทำให้เขาหายเครียดเองไม่ได้ คนอื่นทําให้เขาหายเครียดไม่ได้เขาจะต้องทําให้ตัวเขาหายเครียดทางหลักของบุตศาสนาก็สอนในสองระดับด้วยกันระดับแรกก็หยุดตัวที่สร้างความเครียดก่อนมันเครียดเพราะคิดมากคิดแล้วก็อยากมากอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้มันก็เครียดขึ้นมาก็ให้ทําใจให้สงบหยุด ความคิดที่จะไปสร้างความเครียดอันนี้ไม่ได้กดดันไม่ได้ไปกดดันเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักหยุดเหมือนรถยนต์ที่จะวิ่งชนรถคันอื่นเราก็ต้องเหยียบเบรคเหยียบเบรคแล้วมันก็จะได้ไม่ไปชนกันจิตดจของเราก็เหมือนกันพอไปคิดไปอยากแล้วพอไม่ได้มันก็เกิดความเครียดขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดความอยากได้ด้วยการใช้สติ มันก็จะหยุดได้ชั่วคราวหายเครียดได้ชั่วคราวพอเราหยุดพอเรากลับไปคิดใหม่มันก็เครียดขึ้นมาได้ใหม่แต่อยากจะให้มันหายอย่างถาวรก็ต้องใช้ระดับที่สองที่เรียกว่าปัญญาก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าการทําตามความอยากนี้จะต้องไปเจอความเครียดอยู่เรื่อยเพราะสิ่งที่เราอยากได้บางทีได้มาแล้วมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็เกิดความเครียดขึ้นมา แล้วก็อยากจะได้ใหม่เพราะไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดมากขึ้นไปอีกถ้าได้ก็ความเครียดก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความเครียดอยากเกิดความอยากเกิดความเครียดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ไม่มีความเครียดหลงเหลืออยู่ในใจเลยก็ต้องฝืนความอยากด้วยการเห็นโทษของความอยากว่าจะนำไปสู่ความเครียด อันนี้เป็นวิธีรักษาโรคจิต ท, ที่ถูกต้องพระพุทธเจ้ารักษามาแล้วแต่แต่คนไข้ต้องรักษาเองหมอเพ่งหมอเป็นเพยงคนสอนให้คนไข้ดูว่าถ้าอยากจะให้หายก็ต้องหยุดความคิดใท้ได้ควบคุมความคิดของตนให้นะอย่าคิดไปในทางความอยากคิดไปในทางไม่อยากเราจะไม่ถูกจะไม่เครียดคาถามจากคุณจิงชุธา ขอเมตขอความเมตตาจากหลวงพ่อบอกวิธีแก้จิตเสื่อมหน่อยเจ้าค่ะก็ไม่มีสติมันก็เสื่อมเก็พุโทโธพุโทโธบ่อยๆเดี๋ยวมันก็มันก็จเจริญขึ้นมาใหม่ที่เสื่อมเพราะเราหยุดพุดโทโธกิเลสมันก็เลยออกมาวาดลวดลายความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็ออกมาวาดลวดลายมันก็ทำให้จิตเราเสื่อมลงไป ถ้าอยากให้จิตเราฟื้นขึ้นมาใหม่เราก็ต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการเจริญสติให้บ่อยๆให้มากๆอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงมันโผล่ขึ้นมาได้จิตก็จะสดใสเบิกบานขึ้นมาใหม่คะคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วเมื่อก่อนไปฝึกภาวนาอยู่วัดป่าจนจิตสงบ กลับมาบ้านก็ทำต่อจิตก็สงบระดับหนึ่งมีความสุขหลังๆเลยฝึกสติทำทานศีลภาวนาฟังธรรมอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วไม่อยากออกไปไหนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสบรรลุไหมคะก็ต้องทำท่านปัญญาด้วยสติอย่างเดียวมันจะไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้คำว่าบรรลุธรรมก็คือให้มันสงบอย่างถ้าวรได้ สงบแบบสติมันแบบเป็นพักๆไปถ้าสติเสื่อมเมื่อไหร่ความสงบก็หายไปเมื่อนั้นถ้าอยากให้ความสงบไม่หายนอกจากสติแล้วต้องมีปัญญาต้องพิจารณาทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากแล้วใจเราก็จะสงบไปตลอดบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ด้วยปัญญา สติหรือสมาธินี้เพียงแต่ให้จิตสงบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้คำถามจากคุณอัชาราตอนนี้จิตฟุ้งซ่านมากๆค่ะมีวิธีวางใจได้บ้าง ได้อย่างไรคะต้องใช้สติอย่างเดียวอย่าไปวางใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดขยันพุโทโธพุโทโธไปนะเดี๋ยวจิตก็จะสบายขึ้นมาตามลำดับคำถามจากคุณสุกกายสบายใจกราบนมัสการครับเพื่อนเคยเพื่อนเคยถามมาครับพระลุงให้เงินและของกินของใช้ต่างๆที่โยมนำมาถวายให้เราใช้ และให้เงินโยมน้องคือแม่มาปลูกสร้างบ้านแล้วจะเป็นบาปเป็นหนี้ไหมครับ อ, อ๋อถ้าเราไม่ไปขอไม่บาปเราอย่าไปขอพระถ้าเขาให้มาด้วยความเมตตาเขาก็เป็นเรื่องการทำบุญของเขาเขาทำบุญกับเราการให้นี้ถือว่าเป็นการทำบุญไม่ว่าจะให้ใครให้พระให้โยมให้หมาให้แมวเป็นการทำบุญคนให้มีความสุขคนรับก็มีความสุข แต่อย่าไปขอถ้าข อ, าขอาแล้วจะเป็นขอทานเราจะเป็นเปรตเพราะความอยากจะเป็นความอยากขึ้นมาฉะนั้นอย่าห้ามขออย่าไปขอไม่ว่าจะขอจากพระแล้วขอจากใครก็ตามถ้าเดือดร้อนบอกเ็าได้ว่าเดือดร้อนแต่อย่าไปขอแล้วเขาจะให้ไม่ให้เขาจะช่วยไม่ช่วยนั้นเป็นเรื่องของเขา <c oughs> ถ้าเขามีความสามารถเขาพร้อมที่จะช่วยเขาอยากจะช่วยก็เป็นเรื่องของเขา เขาไม่พร้อมหรือเขาไม่อยากจะช่วยก็เรื่องของเขาเราอย่าไปกดดันเขาก็แล้วกันคำถามหมดแล้วหมดแล้วนะโอเค Any more questions? อ okay. เค Any more? No hmm. more. Okay Since we running out of time and questions, so I think it's about time for us to make it a day. โอเค ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด